ศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีลักษณะที่จะพึงสังเกตดูความรู้สึกของเราทั้งสองขั้นตอนตอนแรกจิตของเราดูวัตถุคือการสลายตัวของวัตถุมีวัตถุปรากฏอยู่เป็นต้นว่าโครงกระดูกเป็นต้นในขณะที่จิตรู้อยู่นั้น โครงกระดูกหรืออะไรมันเปลี่ยนแปลงไปตามระยะหรือบางขณะที่มันเป็นไปนั้นคล้ายๆกับเป็นตัวผู้รู้ไม่ได้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังลงไปเป็นขั้นตอนจิตก็เพียงแต่รู้อยู่เฉยๆคล้ายๆกับว่าสิ่งที่เกิดกับตัวผู้รู้กับตัวจิตเองนั้นแยกกันเป็นคนละคนหรือคนละส่วน และเมื่อจิตปฏิวัติตัวสู่ภูมิแห่งความละเอียดคือตัวผู้รู้หรือในขั้นที่จิตรู้นามธรรมและรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นตัวรู้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรก็ตามแต่หากปรากฏ ว, ว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตแล้วความรู้สึกของผู้มีภูมิจิตนี้จะมีลักษณะเหมือนหนึ่งว่าจิตก็อันหนึ่งตัวที่ให้จิตรู้ก็อันหนึ่ง แยกกันออกเป็นคนละส่วนลักษณะที่เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอำนาจแห่งการประชุมสามแห่งอริยมรรคในที่นี้ศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมพร้อมที่นี่เมื่อจิตของท่านผู้ใดมีลักษณะดังกล่าวจิตของผู้นั้นได้ชื่อว่ามีอาธิศีลมีอาธิจิตมีอาธิปัญญาประชุมพร้อมที่ดวงใจ ในเมื่อศีลสมาธิปัญญาประชุมที่ดวงใจพร้อมเป็นหนึ่งจิตมีสภาวะเป็นกลางปรากฏอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เกิดขึ้นมาภายในจิตจิตไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติสิ่งที่รู้สิ่งที่ให้รู้ปรากฏขึ้นก็ดีหรือสภาวะผู้รู้ก็ดี ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันปฏิวัติของมันไปเองตัวภูมิธรรมตัวภูมิความรู้โดยอัตโนมัติและผู้ปฏิบัติไม่ได้ตั้งเจตนาสัญญาที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นแต่หากว่ามันเป็นไปเองด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วนั้นย่อมปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้ซึ่งเรียกว่าพุทธ นี่คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตในใจของนักปฏิบัตินั้นแล้วดังนั้นทุกทุกท่านที่ฟังธรรมะอยู่นี่ทุกทุกท่านพึงเข้าใจว่าทุกท่านมีพุทธะคือผู้รู้อยู่ในจิตในใจ